ภาวนาที่ไหนก็เราจะได้รับการกล่อมด้วยคําพูดกล่อมด้วยจำนวนภาษากล่อมด้วยพิธีกรรมอะไรต่างๆเนี่ยมันเอาไปามามันก็เมานะเมาพิธีกรรมเมาภาษาใช่ไหมแล้วก็เมาหลักการเมาวิชาการมันก็จะเป็นอย่างนี้ามาก็เป็นอย่งนตลอดซึ่งมันทําให้เราเนื่นเนื่นช้ามากมีวันหนึ่งหลวงพ่อเทียน เรียกอาจารย์กวิทย์ไปพบถามอาจารย์กวิทว่าอาจารย์กวิทผมได้ยินคําว่าปะปัญจะธรรมเนี่ยผมไม่รู้ว่าคำนี้มันหมายความว่างไงเพราะผมไม่รู้ปริยัติอาจารย์กวิทนะให้ไปหาให้ทีว่าไอ้ปะปัญจะธรรมเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะฮะอาจารย์กวิทก็เขมีเขามันเลยนะไปหาไปเจอคําว่าปะปัญจะธรรมทาให้เดินชา้าตันหามานะ ราคะโทสะโมหตันหามานะทิฏฐินี้เป็นปัญจธรรมโอ้โหอาจารย์กวิทถูกตบหน้าอย่างฉาดใหญ่เลยนัแต่คือมื่อจะสนใจแต่เรื่องตำราตำร า, ำาที่ทําให้เนิ่นช้าสนใจเรื่องพิธีกรรมสนใจเรื่องการทําบุญพิธีกรรมอะไรต่างเนี่ยมากมายมันทําให้เนิ่นช้าเนิ่นช้าอย่างไรเพราะทำมันมีทำำําดําทําขาวทําไม่ดําไม่ขาวส่วนใหญ่เราพยายามเป็ น, นีกรรมดําใช่ไหมเพื่อไปหากรรมขาว คือพยายามจะหนีเรื่องที่มันบาปมันทุกข์มันไม่ดีอ่ะแล้วก็ไปทําบุญเยอะๆไปทําภาวนาเยอะๆเพื่อจะไปหากรรมขาวทีนี้พอกรรมขาวมันก็ไม่เที่ยงใช่ไหมมันก็เปลี่ยนไปตามกดมันกลายมาเป็นกรรมดําเพราะฉะนั้นเราเรียกกรรมฐานขี้โกรธสันโดษขี้ขอเนาะพวกเยาวชนนี้เมื่อก่อนไม่ค่อยโกรธไม่ค่อยงุนงงิดเท่าไหร่แต่หลังจากมาปฏิบัติธรรมแล้เห็นใครทําอะไรไม่ถูกต้องขิดหัวขิดตาเนี่ยมันหงุนงงีดขึ้นทันทีเลยนะ นัง่งหลังจากนั่งภาวนาแล้วเนี่ยอะไรแล้วก็ถูกหมดอะ่ะพอไปเจออะไรที่ไม่ถูกมันงุนงิดเรียกว่ากรรมฐานขี้โกรธอ่าสันโดษที่ขอก็ว่าจะไม่ซ่อมไม่สร้างไม่ทำอะไรนะแต่ว่าท้ายๆโอกาสเออหลวงพ่อกําลังสร้างอันนี้นะใครจะเอาประตูกี่บาทหน้าต่างกี่บาทเออวันนี้หลวงพ่อจะเอาบ้านนี้ไหมเนี่ยนาะมันก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วกรรมดําก็พาไปหากำขาวกำขาวก็หากรำดำํา ซึ่งมันเป็นหลักนี่เงพ่อก็เล ย, เยทําไงไอเราก็อยู่ในวงจรเดียวกันญาติโ ย, ยมที่เจอก็เลยคิดว่าอย่างนี้ก็แล้วกันว่าในเรื่องปฏิบัติแล้วก็จะพูดถึงเรื่องปฏิบัติว่าเมื่อวานเราพูดถึงเรื่องโครงสร้างทั้งหมดของสติปัฏฐานแบบเคลื่อนไหวนะ่ะตั้งแต่รูปนามจนไปถึงการเกิดดับหรือเป็นโครงสร้างทั้งหมดเมื่อการเกิดดับเนี่ยมันจะเป็นตัวกลางระหว่าง ภูเพนิวาสานุสิยาหรือว่าอดีตอาสวะขยายนคืออนาคตแต่จู่จู่ปปัฏฐานคือการเกิดดับเป็นปัจจุบันอดีตอนาคตปัจจุบันทั้งสการนี่เราก็พูดไปถึงเรื่องการเกิดการดับแต่วันนี้เราพูดถึงเรื่องปลรมัติแต่มันหมายความว่าจู่จูไปโดูใส่ปลรมัิเลยนะขึ้นต้นไม้ถ้าขึ้นไปยอดไม่ได้มันก็จะตายขึ้นต้นไปนะแต่เมื่อวานเนี่ยมาอธิบายให้เห็นว่าการจะขึ้นต้นไม้ตัวนี้จะขึ้นอย่างไรนะจะขึ้นอย่างไรก็ วิธีขึ้นตั้งแต่ต้นถึงยอดจะขึ้นอย่างไรแต่วิธีวันนี้ลองจะพาขึ้นดูนะแต่ไปขึ้นที่บ้านนะจะบอกวิธีทํากระไดนะทำกระไดเป็นขั้นเป็นขั้นว่าจากต้นขึ้นไปถึงตัวปรมัา ถ, ถึงการเกิดดับเนี่ยควรจะขึ้นอย่างไรซึ่งเราโชคดีตรงที่ได้พบหลวงพ่อเทียนเพราะหลวงพ่อเทียนหลังจากท่านเดินทางตั้งแต่ต้นไปถึงปลายแล้วเนี่ยคืออาจารย์อื่นพราท่าน ต้นถึงปลายท่านก็ไปเลยนะแต่หลวงพ่อเทียนกลับมาเอ๊ะมาถึงทะลุทางเส้นนี้ได้อย่างไรมาถึงตรงนี้ไดไ้แล้วก็ท่านพยายามเดินกลับมาวมาต้นท้องใหม่ต้นทางใหม่แล้วก็คลืนไปเดินไปถึงไปถึงจุ ด, ท, ดท้ายกลับลงมาทบทวนอย่างนี้หลายครั้งตามประวัติบอกว่าพระพุทธเจ้าหลังจากแต่สู้แล้วท่านเสวยมุติสู่อยู่49วันอันนั้นอะไรคือการทบทวน ของพระพุทธเจ้ากลับไปกลับมากลับไปกลับมาเรื่องปฏิสุบทเรื่องปัจจัยาการเรื่องอะไงต่างที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นอนะ่ะเจดรอบรอบละเจ็วันเป็น4ี่สวันเท่านใช้เขา้าไปเสิร์ฟมิวติสุเพราะฉะนั้นเองในการที่เราจะไปถึงยอดเราจะต้องมาถอดนะสมมุติว่าธรรมะหรือปรมัตาหรือสภาวธรรมหรือสัจจะหรือการตัดสลุอะไรก็แต่ สมมุติว่าเป็นเมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดหนึ่งเมล็ดมะขามเมล็ดอะไรก็ได้เมล็ดถั่วเมล็ดมลาข้าวสมมุติว่าเป็นเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่งถ้าเมล็ดพืชเมล็ดนี้ได้เก็บแขวนอยู่ที่ใดที่หนึ่งหรืออยู่บนหิ่งบนตากราหรืออยู่ในซองเนี่ยเมล็ดพืชเมล็ดนี้มันจะงอกได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมแล้วในที่สุดมันก็จะฟอมันก็จะหมอดกินมันก็เสียไป แต่ถ้าอยากจะให้เมล็ดพืชเมล็ดนี้มันงอกงามขึ้นตามลำดับแล้วกลับเป็นเมล็ดพืชเมล็ดใหม่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยจ ะ, จะต้องนำไปที่ไหนจะต้องนำไปที่ไหนเอาไปลงดินดนะถ้าดินนั้นเอาโยงลงดินปอกเป็นดินที่ได้ถุงเรียนได้ถุงบ้านงอกไหมไม่งอกเพราะอะไรเม่อไม่เจอน้ำไม่เจอแสงใช่ไหมเอาละฉันก็จะรดน้าเธอขาดน้าก็รดน้ำไเลย แต่ถุนบ้านนั่นแหละงอกไหมก็ไม่งอกเหมือนกันไม่ครบเห็นไหมอันนี้คือเหตุปัจจัยเหมือนกันเราเกิดมาเนี่ยทุกคนมีจิตวิญญาณเหมือนเมล็ดพืชมาทุกทุกเม็ดทุกดวงคือจิตวิญญาณของเรานั้นคือเมล็ดพืชของเราและเมล็ดพืชตัวนี้มันเกิดในในรูปในน้ำนี่แล้วถือว่าได้ดินได้น้ำหรือยังได้ดินได้น้ําหรือยังเมล็ดพืชมีสองลักษณะถ้าโยมหวานข้าว ในที่ไหนก็ได้ตามสนามตามป่าไม้ที่ไหนที่ว่าเห็นว่ามันเป็นดินเป็นน้ํารกหวานไปเลยเนี่ยจะได้กินไหมไปหวานกลางสนามหญ้าไปหว่านในป่าที่ไม่ได้คาดได้ไถได้ถางได้อะไรต่างๆเนี่ยมันจะขึ้นไหมมันจะได้กินไหมถึงจะขึ้นก็ปลอมปแหลมใช่ไหมแต่ไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวแต่ถ้าเอาไปหว่านในทุ่งไร่ทุ่งนาที่ไม่ได้คาดได้ไถจะขึ้นไหมขึ้นเหมือนกัน ก็ดีกว่าอันแรกหน่อยนะเอาไปหวานในที่ที่คลาดแล้วไถแล้วด้วยปรับแล้วอย่างดีหวานลงไปขึ้นไหมขึ้นมีความพร้อมทุกอย่างใช่ไหมฉันใดก็ดีทุกคนมีจิตวิญญาณมาที่เกิดมาเนี่ยมีจิตวิญญาณที่ดีมา ม, มีเมล็ดพืชแห่งโพธิเมล็ดแห่งพืชแห่งพุทธทุกคนติดมาแล้วแต่เราจะเอาเมล็ดพืชตัวนี้ไปหวานที่ตรงไหนไปหวานที่ผืนป่าทั่วไป หรือไปวานที่ในสนามหญ้าหรือไปวานที่ไม่มีมีแต่ดินไม่มีน้ำหรือเราจะต้องมีการเตรียมพื้นที่นั่นคือการที่คือเงื่อนไขว่าทำไมต้องมีทานทาไมต้องมีศีลต้องมีธรต้องมีภาวนา ทำไมต้องมีสมถาวภาวนาในภาวนาก็แบ่งเป็นสองอย่างทั้งสมถาวภาวนาวิปัสนาภาวนาเริ่มต้นจากทานศีลภาวนาสมถาวภาวนาวิปัสนาภาวนาถึง5ขั้นตอนมเมล็ดพืชนี้จะงอกงามได้ถ้าคนไม่เคยให้ทานไม่เคยเป็นคนเก ก, กะไม่มีระเบียบเป็นคนที่ไม่ดูแลตัวเองไม่ได้ควบคุมตัวเองไม่ได้เนี่ยก็หวานเอามเมล็ดขึ้นไมหวานก็ไม่ขึ้น ให้ทานเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านตามที่เราเคยได้ยินนักการเมืองทําทานทีเป็นหลายๆล้านใช่ไหมก็นักการเมืองคนนี้ก็ไม่ได้ไประสบผลสําเร็จในแง่ของการภาวนาอีกเหมือนกันรักษาศีลนักเจริญภาวนาเราก็เจริญภาวนากันมาตั้งแต่แต่ไหนแต่ไรเราก็ยังพุกกันอยู่เราเลื่อนขึ้นมาหน่อยมาเป็นสมถะภาวนาก็พัฒนาขึ้นมาเป็นรูปแบบของลมหายใจของอะไรต่างๆแต่ก็ยังไม่สําเร็จประโยชน์ จนกระทั่งว่าเป็นวิปัสนาภาวนาทีนี้มาวิปัสนาปัจจุบันอีกก็ต้องดูว่าวิปัสนาแบบไหนวิปัสนาพาณิชย์หรือว่าวิปัสนาแบบพุทธหรือว่าวิปัสนาแบบบิเน์หรือธุรกิจเนาะวิปัสนาธุรกิจอย่างเงี้ยนะก็จัดคอร์สเก็บค่าคอร์สเท่านั้นเท่านี้หมอคงไม่มีใช่ไหมถ้าคอร์สเข้าลงทะเบียนมีไม่งั้นนี่เดี๋ยวเข้าเนื้อตัวเองพูดไปพูดมาเข้าเนื้อตัวเอง มีปรัชนาธุรกิจมีปาสชนาพาณิชย์นะ Inside Business อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอมาก็เลยว่าเงื่อนไขมันเยอะเลื่อยจนมันเต็มไปได้วยสิ่งที่ลกลุงลังมากทีนี้มาในวิธีการของหลวงพ่อเทียนที่มาพยายามที่จะสอบสวนทวนหลักทั้งหมดเนี่ยมันเป็นอะไรก็ได้มาทราบว่าโครงสร้างทั้งหมดที่พูดมาเมื่อวานซึ่งหลายท่านที่ไม่ได้มาเมื่อวานก็ ขออภัยด้วยนะไม่สามารถจะทบทวนกลับไปอีกเพราะเวลาเราจำกัดจากนั้นดึงขอต่อเลยว่าเมื่อเราพูดถึงเรื่องรูปนาก็หมายความว่าเอาเมล็ดพืชตรงนี้มาลงในรูปนามก็จริงแต่ว่าเราจะต้องลดน้ำคือจะต้องมีศรัทธาศรัทธาเหมือนน้ำที่ลดลงไปเราจะต้องมีแสงแดดคือมีความเพียรความเพียรเหมือนแสงแดดนะเราจะต้องมีสติมเมล็ดนี้พร้อมที่จะงอก แตกงอกขึ้นมาบางทีมเมล็ดมันบอดก็มีใช่ไหมผูกไปแล้วมันไม่แตกก็มีเพราะเมล็ดนั้นอาจจะรีบบ้างเป็นมแมลงบ้างมเมล็ดไม่สมบูรณ์บ้างแก่ไม่จัดบ้างเนี่ยถ้าเรามีสติที่สมบูรณ์มีสติที่ปกติไม่วิกลจริตไม่ผิดอ ะ, อะไรล่ะโลกจิตโลกประสาทอะไรต่างๆเนี่ยถือว่ามเมล็ดที่สมบูรณ์แล้วมีสมาธิมีสมาธิหมายถึงว่ามีพื้นดินที่เหมาะสม ที่จะปลูกที่อุดมไปด้วยดินที่เหมาะสมแล้วก็มีปัญญาคือคนปลูกรู้จักวิธีปลูกอันนี้ขึ้นแน่นอนเลยนั่นก็หมายความว่าความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเหมือนกับเมล็ดพืชเนี่ยเราเอามาลงที่ต้องมีน้ําคือต้องมีศรัทธา ก, ก่อนอมีศรัทธาเอ้เราก็มีศรัทธามาตั้งนานไม่เห็นมันงองงามแต่ศรัทธามีสองลักษณะหนึ่งศรัทธาวิถีพุทธสองศรัทธาวิถีพราม์ ซึ่งตัวนี้ถ้ามันมีบอดมีอะไรก็จะแต่ว่ามันก็จะไม่ทันใจนะเพราะว่าวิธีการที่จะต้องไปถึงสาระตรงนั้นเราจะไม่เสียเวลาลุ่มล่ากับเรื่องเหล่านี้ว่าวิสถาวิถีพุทธก็คือศรัทธาที่จะนำไปสู่การกระทำด้วยตนเอง<ม>เลือกกรรมว่าศรัทธาแล้วก็รู้ว่าทำแล้วผลไม่จะเกิดอย่างไรวิปากรรมวิปากศรัทธาและผลนี่ต้องตกกับตัวเองแน่นอนกรรมสัทธาศรัทธา แล้วก็เรามีศรัทธาต่อคำสอนของผู้รู้จริงเท่านั้นผู้รู้ไม่จริงเราก็ยังไม่ตัดสินใจนั่นจะใช้ควาว่าตถาคตัโปโภที่ศรัทธาศรัทธาในความรู้ของผู้ผู้รู้จริงผู้ตรัสรู้ผู้เข้าถึงธรรมนะเพราะนั้นศรัทธาจะเกิดในลักษณะอย่างนี้หนึ่งเราต้องลงมือเองสองรู้ว่าลงมือแล้วผลมันคืออะไรสามผลนั้นต้องอสัมผัสได้พิสูจน์ได้ด้วยตัวเองส <c oughs> เป็นหลักคำสอนที่เป็นการตรัสรู้มาไม่ได้นึกคิดในแง่ของฟิโลสอฟีไม่ไนึกคิดในแง่ของไซโคโรีจิตวิยาปรายาหรืออภิปรายานะแต่ว่าเป็นการประจักแจ้งเขาเรียกว่าตรัสรู้หรือประจักแจ้งก็เป็นเป็นเอลไลเทนะมันไม่ใช่ฟิโลสอฟีแต่เป็น enlightened, enlightened, นะ Light เอลไลเทนเอลไลท์ไลท์แปลว่าสว่างข้างในเอลไ์สว่างนะ สว่างกระจ่างขึ้นมาเป็นลักษณะที่เป็นประจักษ์แจ้งขึ้นมาเป็นเอ็กซ์เพรเขึ้นมาดังนั้นลักษณะอย่างนี้เราจะตอนนี้เราแน่ชัดแล้วว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านได้มาจากการจัดสรู้แล้วมาผ่านเกจีอาจารย์ต่างๆแล้วอาจารย์เกจีต่างๆท่านก็มาพิสูจน์เมื่อพิสูจน์ได้ได้รับผลอันนั้นเมื่อได้รับผลแล้วก็สืบทอดกันมาตั้งแต่พระหันองค์แรกคือพระอัญญากรรทิยาจนถึงองค์ล่าสุด ที่เรากำลังติดตามท่านน่นะตั้งแต่พระเกจิอาจารย์ตามลำดับมาซึ่งจะเป็นใครบ้างก็ไม่รู้อะแต่รวบรวมแล้วท่านเหล่านั้นพูดตรงกันว่าในการกระทำนั้นถ้าประกอบด้วยศรัท <c> ธ <oughs> าความเพียรสติสมาธิปัญญาคุณก็ไปถึงเป้าหมายแน่นอนนะเมื่อเป็นอย่างนั้นตัวรูปนามของเรานี่ถ้าเอาตัวรู้สึก ที่เป็นจิตวิญญาณเนี่ยลงไปคุนเฮี้ยงแล้วลืมตา ก, กว้างๆนั่งหลับต่อหน้าหลวงพ่อไม่ได้เดี๋ยวผีเข้านะลืมตา ก, กว้างๆหายใจลึกๆหลวงพ่อต้องพูดไปสํารวจไปใครง่วงหลวงพ่อก็จะจี้นะหลวงพ่อไม่ใช่ประเภทหลับตาครับทุกคนเพราะนั้นเมื่อตัวรู้สึกที่เป็นจิตวิญญาณทําหน้าที่แรกที่สุด เราเรียกว่าเวทนาใช่ไหมทำหน้าที่ที่เรามีเวทนาเนี่ยมันให้รูปนามเรามาแล้วต้องให้เวทนามาเพื่ออะไรเพื่อโปรเทคเพื่อดูแลรักษาร่างกายนี้ให้อยู่รอดถ้าสมมติว่าไม่ไ ม, ไม่ไม่มีเวทนาเป็นตัวปกป้องเราเนี่ยเราร้อนมากเท่าไหร่เราก็ไม่รู้รูปนี้ก็อยู่ไม่ได้เราหนาวมากเท่าไหร่ก็ไม่รู้ตัวรูปก็จะอยู่ไม่ได้นะเราเจ็บปวดมากก็สัมผัสไม่ได้ในที่สุดรูปนี้ก็ถูกสลาย เพราะไม่มีอะไรปกป้องนั้นที่เรามีเวลาเย็นร้อนอ่อนแข็งแขร่งตึงนี่ถูกต้องแล้วเพราะเราจะรู้ระดับว่ามันเข้มแค่ไหนเพืจะเอาชีวิตนี้รอดอถ้าเข้มมากกว่านี้เราไม่รอดนะเราก็มีการปกป้องตัวเองใช่ไหมมีการบำบัดมีการแกร้จัดมีการดูแลรักษาร่างกายนี้ให้อยู่ในระดับเวทนาที่เราพอทนได้ทีนี้ในลักษณะของพุธทธธรรมเนี่ยท่านให้ทนต่อเวทนาพอทนได้เท่านั้น แต่ข้อผิดพลาดของมนุษยชาติคืออะไรพอเวทนาเบาบางแล้วเรากลับไปเสพใช่ไไปเสพเสวยในเวทนามันอร่อยแค่นี้ก็ อ, อยากอร่อยมากกว่านี้แล้วก็อยากอร่อยมากกว่านี้มันสงบมันสบายเท่านี้ก็ อ, อยากจะให้มันสบายมากกว่านี้เราก็ไปเพิ่มนี่คือข้อผิดพลาดของเราคือการที่มันเกินมันไม่ได้ทนละเป็นลักษณะเสพออกจากทนแล้วมันก็เสพเสวยหรือทีใช้ก็เวทนาที่แปลว่าเสวยใช่ เสวยอารมณ์ตามภาษาทางการเขานะถ้าแปลภาษาเราเราเขาเรียกว่ากินอารมณ์เพราะมันอร่อยเรากินมากไปหน่อยใช่ไหมคือเราทานอาหารอร่อยแทนที่จะหารแต่พอดีแต่มันอร่อยเราก็เลยทนต่อสุขเวทนาไม่ได้เรากินไปเยอะเพราะฉะนั้นสุขเวทนาเราก็ต้องทนไม่เสพเข้าไปมากทีนี้พอตรงกันข้ามพอไปเจอแดดร้อนๆไม่มีแอร์ อับอ้าวกวนก歪กระสับกสยัยลุกลี้ลูกหลนใช่ไหมถ้าแอร์ดับใช่ไหมเกิดนี้ขึ้นมาทันทีทุกขเวทนาเริ่มเกิดทั้งๆที่ยังไม่ไมร้อนนะพอแอร์ดับนี่เริ่มตกใจแล้วใช่ไหมแสดงว่าอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าในะัจจะต้องเจอวภาวะอะไรเป็นอุปทานขึ้นมาอีกตัวทุกเวทนาเพราะฉะนั้นตัวเววิญญาณตัวนี้ทําหน้าที่เป็นความรู้สึกใน5้า ใ, ใ, ในสี่รูปแบบ หนึ่งที่เป็นธาตุเรียกว่ารูปถ้าเป็นรูปประธาตและรูปประขันรูปประธาตคืออะไรดินน้ำลมไฟรูปประขันคืออะไรเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพราะนั้นรูปมันจึงมีสองอย่างทั้งรูปประธาต์และรูปประขันแต่ส่วนใหญ่เราเข้าใจว่าขันห้าเนี่ยเป็นรูปประธาต์แต่ความจริงมันต้องแบ่งรูปเป็นสองอย่างรูปประขันคือสี่ดินน้าลมไฟ แต่รูปประธาต์รูปประขารูปขอโทษรูปประขันมีสี่คือดินน้ำลมไฟรูปประธาต์มีสี่รูปประขันก็มีสี่คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่รูปมีหนึ่งใช่ไหมรูปมีหนึ่งเพราะฉะนั้นรูปจึงเป็นตัวปรมัตย์ยังไงแต่มันจะแยกเป็นรูปปรธาต์รูปปรขันเพราะฉะนั้นจิตเยตสิครูปริพานใช่ไหมที่เป็นปรมัตย์มีสั่มีสอย่างจิต เกเทิกรูปนิพานเนี่ยเป็นปรมาิตยแต่ทีนี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นปรมัทิตย์ไหมยังสงสัยดินน้ําลมไฟเป็นปรมัทิตย์ไหมยังสงสัยแต่มาถ้าบารวมกันเป็นรูปที่ยังไม่ปรุงแก่งออกไปก็เป็นปรมนะัทิตยได้นะทีนี้ต่อมาเมื่อเรามีวิญญาณจิตวิญญาณของเราแสดงหน้าที่แรกคือเป็นความรู้สึกตัวที่เป็นเวทนาและความรู้สึกตัวที่เป็นเวทนานี่เป็นสัญชาตญาณ เพื่อดูแลรักษารูปอันนี้ให้อยู่รอดปลอดภัยจากการเบียดเบียนบีทาของดินฟ้าอากาศและสิ่งมีพิษทั้งหลายสัตว์เลือ้อยคานรมแดดที่เราพิจารณานนะเพื่ อ, อบำบัดทุกขเวรเกิดจากอาภาษ ต, ต่างๆเป็นมูลนะอันนี้คือตัวรู้สึกที่เป็นเวทนาที่สบายและไม่สบาย อันนี้ส่วนหนึ่งที่เป็นหน้าที่ของรูปถ้าหากว่าเราไม่ได้พัฒนาตัววิญญาณตัวนี้ให้เป็นวิปาาัสนาญาณความแปรปวนของรูปตามกฎของอนิจจังทุกขังนาตาเนี่ยมันจะต้องสื่อเข้าถึงตัวจิตตัวนามนมันรูปกับนามใช่ไหมรูปวิทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณยอเหลือสองคือรูปกับนามรูป แล้วก็นามนะเพราะฉะนั้นนามมันมีสี่รูปมันมีหนึ่งร่างกายมันก็เลยบรรยัญญัติให้เรามีคียอยู่ห้าตัวคือนิ้วทั้งห้าถ้าใครมีหกนิ้วนี่ประหลาดนะ <c oughs> ถ้าใครมีสี่นิ้วก็ถือว่าขันห้าไม่ครบนะเพรา ะ, ะนักเขาจะให้คียมาพร้อมกับไ อ, ไอตัวจักรของเขาแหละนะนิ้วเท้านิ้วมือห้อาอวัยวะทั้งห้าอะไรขาสองแขนสองหัวหนึ่งใช่ไหมก็ห้าส่วนเหมือนกัน ก็ให้เป็นไปนตามกฎของรูปเวท น, นาสัญญาสังขารวิญญาณทีนี้ในภาครวมภาพปฏิบัติเนี่ยเราท่านขึ้เหลือสองรูปกับนาำรูปทําหน้าที่ในส่วนไหนทั้งหมดดินน้ําลมไฟดินในลักษณะที่เรายืนได้เป็นธาตุดินใช่ไหมที่เคลื่อนไหวไร่เป็นธาตุอะไรเป็นธาตุลมเย็นร้อนของแข็งเคร่องตึงขนางใเป็นธาตุอะไรเป็นธาตุเย็นเป็นธาตุน้ําร้อนเป็นธาตุไฟนะ ก็อยู่ในร่างกายเย็นร้อนอนแข็งแข็งตึงพิดีน้ําลงไฟปรากฏออกมาเป็นความรู้สึกความรู้สึกเย็นบ้างร้อนบ้างหนักบ้างเบาบ้างนี้เรียกว่าออกมาเป็นความรู้สึกสองประการคือความสบายและไม่สบายนะเพราะอะไรเพราะที่เราเกล่าวไปเมื่อวานว่าเมื่อการทำงานของท่าสอย่างสมดุแลแล้วก็ให้เกิด ตัวนามทั้ง4ี่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและนามทั้งสี่แล้วมันก็กลายมาเป็นตัวนามและตัวนามนี้เราสมมุติว่ามันเป็นตัวดับรูปเป็นตัวให้เกิดตามไม่ทันนะตอนนี้เราเรียนปิธยธาโทแล้วนะเมื่อวานเรียนวิยตรีวันนี้เรียนปิยาโทปัญญ า, ยยายเอกนึกไปทำเอาเองก็แล้วกันดังนั้นตัวรู้สึกที่เป็นเวทนาที่เรารู้สึกได้เนี่ยเวลาเดินมีหนักมีเบาใช่ไหมเวลานั่งก็มีหนักมีเบา อันนี้เราพูดไปเมื่อวานเมื่อเป็นเช่นนั้นตัวรู้สึกตัวนี้ถ้าหากว่าเราขาดวิปัสนามันก็จะไปเป็นตัวรู้สึกที่เป็นวิญญาณล้วนๆเรียกว่าสัญชาตญาณตัวสัญชาตญาณนี้มีทุกสัตว์ตัวตนเราตัวตนเราเขาที่จะต้องรักษาร่างกายนี้ให้รอดให้ได้อันนี้เรียกว่าเป็นสถิสัญชาตญาณทีนี้ใจของเราล่ะนามของเราอ่ะ มันต้องการดูแลรักษาไหมต้องการ อ, าอยู่รอดไหมอยู่รอดร่างกายนี้อยู่รอดรอดจากอะไรรอดจากสิ่งที่เป็นอันตรายภายนอกนะที่เกิดจากธาตุทั้งสี่ดินน้ําลมไฟเมื่ออันตรายภายนอกเกิดขึ้นมีสติสัญชาติญาณเข้าไปดูแลรักษาเพราะอันตรายภายนอกนี้ทุกคน นึกออกได้ว่าอะไรได้เกิอุบัติเหตุต่างๆสิ่งมีพิษต่างๆข้อผิดพลาดต่างๆที่เราก็าไปทําแล้วเกิดการผิดพลาดขึ้นมาทําให้เกิดทุกเวทนาที่เราทนไม่ได้เราก็ต้องดูแลรักษาด้วยการอนุบัติระวังด้วยวิธีการต่างๆนะทีนี้ทางด้านนามลนะ่ะจิตของเราลนะ่ะมีอันตรายไหมอะไรคืออันตรายของนามและอันตรายของจิตนึกออกไหมอันตรายของรูปนี่เรารู้ใช่ไหมรู้ว่าอะไรก็ตามที่มันรู้สึก ทําให้เราทนไม่ได้ทางกายถือว่าเป็นเป็นอันตรายทั้งหมดแต่อันตรายของน้ำหรืออันตรายของจิตได้แก่อะไรใช่ไหมแต่เราไม่ได้จเจริญวิปัสนามาก่อนพอสมมุติว่าแม่บ้านไปเห็นพ่อบ้านอยู่กับใครคนหนึ่งในห้องใช่ไหมที่น่าสงสัยเออเป็นผู้หญิงด้วยนั่นไงทำไงในใจของแม่บ้านไปไงตึกขึ้นมาเลยใช่ไหมเป็นความรู้สึก ของเวทนาภายนอกหรือภายในภายนอกรู้สึกยังไงสั่นเถิมหายใจติดขัดใช่ไหมแล้วก็หัวใจเต้นแรงใช่ไหม ม, มันมีผ ล, ลใช่ไหมแสดงว่าทนไปอย่างแรงตึงขึ้นมาแต่ถ้าแม่บ้านปฏิบัติวิปัสนาจากนี้ไปกลับไปบ้านไปเจอภาพตำหูตำตาอ่างนี้เป็นไงดูใจก่อนดูใจใจเป็นไงดูใจจนกระทั่งมัน เพราะว่าพระท่านบอกให้ดูใจใช่ไหมดูใจเอ๊ดูใจมันก็ยังเอาไม่อยู่นะก็ เ, เดินจุกกรมสักพักก่อน <c oughs> เดินจุกกรมเดินจุกกรมก็ยังเอาไม่อยู่อนั่งสั่งจังหวะก่อนนะ <c oughs> นั่งสร้างจังหวะเรียบร้อยแล้วไปดูนั่นในภาพอีกทีเอ้ามันไม่มีมหายไปเรียบร้อยแล้วนะเพราะมารู้ตัวว่าเรารู้ตัวก็ไปคนที่เล้าเราเดินจุกกรมให้มันดูนะอันนี้เราได้สติแล้วใช้อะไรทันทีใช้ปัญญาใช่ไหม เ อ, อกกูรู้อยู่นะกูรู้อยู่นะปัญหาเกิดไหมไม่เกิดแล้วทำอย่างนี้สามครั้งเนี่ยแฟนเราจะกล้าไหมครั้งที่สี่นั้นถือปืนให้ดูเลยนะเดินจู่กลองไปแล้วก็ถือปืนไปเลยนะครั้งที่ห้าไม่มีแน่นอนนะมาว่านะไม่มีแน่นอน <c oughs> ถ้าไม่ได้มาฟังวันนี้แล้วเหตุกลับไปไปเจอแบบนี้เนี่ยมีหวังเกิดเห็นแน่นอนใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันตรายทางนามคือจิตคืออะไร <c oughs> คือความโลภความโกรธและความหลงที่ว่ามาเมื่อวานโลภโกรธหลงเกิดจากอะไรโลภเกิดจากสุขเวทนาเพราะสุขเวทนาเราไปเสวยความสบายสุขเวทนาทางกายนะถึงนั่งสบายนั่งสบายชอบหรือไม่ชอบ ชอบชอบเ ป, เ, ชเป็นโสมนัสสวทนาใช่ไหมเป็นโสมนัสสวทนาจากสุขเวทนาเป็นโสมนัสสวทนาในโสมนัสสวทนาเนี่ยชอบเราพอใจแค่นั้นไหมสมมว่าเออนั่งนั่งสบายไม่ไดเนอนหนก็ดีเนาะ <laughs> <laughs> มันเพิ่มทันทีเลยใช่ไหมความสบายมันก็จะเพิ่มก็เป็นอภิชา ไม่ใช่อภิชานะอะภิชาคือมองหาความสบายที่มากกว่า น, นั้นอภิชาเมื่อกี้นั่งสบายๆนะยืนหรือว่าเออมันหนักไม่รู้สึกสบายเออนั่งสบายถ้าแค่นี้ไม่มีปัญหาเอาเอ็นเ อ, เอ๊น้ําชาอยู่ไหนมีอะไรกินม <c oughs> ั่งอ่าเพลินแล้วชักเพลินเขาเรียกนันทิใช่ไหมจากนันทิจากนัน ท, นนทิแล้วเ อ, เอ๊มีอะไรนี่บ้างหาเพื่อนคุยเพื่อนสอบว่างไง อยู่ที่ไหนคุยเพื่อนเป็นราคะเป็นกามาตัะหาไปตามลําดับเลยทีเนี้ยคือเริ่มต้นจากสบายนะสุขเวทนางอกตัวเป็นโสมนัสสาเวทนาแตกตัวมาเป็นอภิชาแตกตัวไปเป็นนันธิแตกตัวไปเป็นราคะแตกตัวเป็นตันหาการมาตันหาเพระว่าตันหาวิภวะตันหาเป็นโลภะเป็นกามุปาทานเป็นกามาสวะไปตามลําดับเลยจากสุขเวทนาตัวเดียวนี่นะที่เราไม่ตามรู้มันจะ รากจะ ง, งอกอย่างรวดเร็วเพราะนั้นอันตรายของเป็นรากพิษด้วยอันตรายของนามคือจิตนี้ได้แก่ตัวแรกคืออะไรสุขเวทนาที่ไม่มีสติกําหนดรู้เป็นพิษเป็นอันตรายใช่ไหมเพราะมันจะขยายเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไปเห็นแฟนเราเราเคยมีความสุขเราก็เรียกว่ารักมันก็เป็นสุขเวทนา แต่พอความสุขที่เราถือว่าเป็นของเราได้รับการทําร้ายหรือมีการถูกแย่งชิงไปสุขเวทนาที่ไม่อยู่เปลี่ยนเป็นอะไรทันทีทุกขเวทน า, าเป็นเป็นโทมานัสกเวทนาและโทมานัสกเวทนาเราก็ไม่ได้เคยมาเจริญสติมันก็แตกรากอย่างรวดเร็วโทมนั ส, ส โทมนัสสวทนาไม่กี่โสมนัสใช่ไหมมันปเปลี่ยนไปเป็นอภิชาเป็นนันที่เป็นราคาอีโทมานัสก็จะเปลี่ยนมาเป็นกโกรธะขุนเคืองมาเป็นพยาบรทะคับแขน อ, นอึดอัดผูกเจ็บผูกใจเจ็บมาเปลี่ยนเป็นตัวโทสัดแสดงออกถึงอาการไม่ชอบหน้าตาขึงขังไม้มือ เป็นสแสดงออกมือที่มันตึงอยู่มันจะจะงอใช่ไหมมันจะงองอมาไม่พอมันก็ช้องที่จะก็กะเด้งออกไปนี่ก็แล้วอาการของโทสะโทสะก็ยังไม่รู้สึกตัวอีกก็เปลี่ยนมาเป็นมานะมานะแล้วมานะตัวนี้ก็การสำคัญ ม, มันไหมมานะอัตตาเกิดขึ้นเลยเพราะฉะนั้นมานะอัตตาก็พัฒนามาจากทุกขระบวนาทางกายที่ไม่ได้รับการตามรู้ นะไม่รับการตํารู้ทุกขเวทนาทางกายที่ไม่ได้รับการตํารู้ก็พัฒนามาเป็นตัวไม่ชอบใจเรียกว่าโทมนานะสะเวทนาเมื่อไม่ชอบใจไม่ได้รับการตามรู้อีกความไม่ชอบใจก็พัฒนามาเป็นตัวโกรพยาปาท ะ, ะคือความคับพ้องใจความอึด อ, อัดขัดแยง้งมาเป็นโกรธามาเป็นโทสะมาเป็นมานะมาเป็น อัตวาทุปาทานมาเป็นภาวะสวะตามลาดับเลยงอกได้เร็วมากดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นเราจะทําอย่างไรที่จะตัดราภพวกนี้ได้ในต้นลมก็คือมาตามรู้อย่าสบายเกินไปและอย่าทุกข์เกินไปให้บริหารความสุขความทุกข์ให้พอดีบริหารความหนักความเบาให้พอดีไปเรื่อยๆอาหารก็อย่ายให้มันอร่อยเกินไปถ้ามันอาร่อยเกินไปก็เทน้ําใส่หน่อยนึงใช่ไหมน้ําอะไรน้ําปลา ไม่อร่อยเติมไปหน่อยตเติม น, น้ําไปหน่อยนยใส่น้ำปลาน้ําซีอิวน้ำอะไรก็แล้วแต่มันไม่ใช่น้ําเปล่าแล้วใช่ไหมมันเข้าไปเพิ่มเพิ่มอะไรเพิ่มนันทิใช่ไหมเพิ่มนันทิเพิ่มราคาเพิ่มตันหาไปเราเพิ่มมันตลอดเพิ่มรสชาติเหล่านี้แต่ถ้าหากว่าใส่สติลงไปก็หมายความว่าเติมน้ำเปล่าลงไปถ้ามีสติในการเคี้ยวมีสติในการกลืนเคี้ยวกลืนมีสติตามรูใส่สติลงไปคืออย่าอร่อยตาม ตามอาสาท่คือตามรสพอรู้สึกอร่อยปั๊บเอามาเองเวลาฉันรู้สึกอร่อยปั๊บมันก็จะเปลี่ยนเอออันนี้รอร่อยเกินไปเอามาฉันที่ไม่อร่อยฉันผุลไม้เข้าไปแทนนะฉันคือจะมีอาหารของเรามันจะมีตัวกลางตัวหนึ่งใช่ไหมผักผลไม้เป็นตัวกลางเพราะนะอาหารที่เราปรุงรสมันก็จะมีรสเปรี้ยวหวานมันเค็มอร่อยไม่อร่อยซื้ออร่อยเกินไปชอบเราก็เปลี่ยนใชเพราะนั้นวิธีการ <c oughs> ที่จะแก่ยากก็คืออย่าเพิ่งทานอาหารอร่อย ทานอาหารไม่อร่อยก่อนทานผักผลไม้จนใกล้จะอิ่มแล้วนะก็หันมาทานอาหารอร่อยเช้าวันนี้เขาก็มีข้าวมาเตรียมม า, มาก็ไม่ฉันนะฉันผักผลไม้อิ่มแล้วก็ตามด้วยน้ำปั่นนิดหน่อยอิ่มแล้วเพรา ะ, ะนั้นเราเอาสาระของมันคือความอิ่มไม่ใช่เอาความอร่อยอันนั้นคือเรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาอันนี้ขเราก็จะตัดรากของสุขเวทนาเพราะถ้าอร่อยนี่เป็นสุขเวทนาใช่ไหม สูเวทนาทางกายที่ไม่มีสติดำรู้ก็เป็นโสมนัสเวทนาเป็นนันทิเป็นอภิชาเป็นราคะกามตันหาเพราะว่าตระหนัไปเรื่อยๆรากจะงอกไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในแง่ของพุทธศาสนาท่านจึงแนะให้มาตัดไฟแต่ต้นลมถ้านั่งแล้วรู้สึกว่ามันหนักหน่วงง่วงเหงาก็ขยับหน่อยก็ได้นะเพราะมันเพลินเพลินสองอย่างเพลินในทางที่พอใจก็มีใช่ไหม เพลิน <N> <N> ในทางที่ไม่พอใจก็มีทําให้พอใจก็เพลินถ้าเพลินในทางพอใจมันจะนําไปสู่ง่วงถ้าเพลินในความไม่พอใจจะนำไปสู่ฟุ้งซ่านถ้าเพลินในความไม่รู้มันจะนําไปสู่ลังเลสงสัยมันจะแงงงอกออกไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นความเพลินคือนันที่เนี่ยจึงเป็นรากที่สําคัญมากแต่เราชอบใช่ไหมอะไรที่มันไม่เพลิเนเราทำให้เพลินเล่นไพ่ให้เพลินดูหนังให้เพลิน อ, อ กินอาหารให้เพลินร้องเพลงให้เพลินเล่นดนตรีให้เพลินในโลกมันก็อยู่ด้วยความเพลินเขาเรียกว่าสันทนาการคือมาจากนันทนาการนันทินั่นเองนะนั้ น, นเมื่อโลกที่เป็นโล ก, กิยะเนี่ยอยู่ด้วยความเพลินแน่นอนมันก็จะมีผลออกมาเป็นพิษคือความโลคความโกรธความหลงอย่างแน่นอนดังนั้นในตัวนี้สมมุติของมันก็คือรูปปรมามัดนั่นก็คือนาม ดังนั้นสมมติกับปรรมะมันก็จะเติบโตกันไปรูปกับนามตัวนี้เองในวิธีการของพระเทียนบอกให้รู้ชัดๆให้รู้ชัดๆว่าเมื่อรูปกับนามตัวนี้รู้ชัดแล้วเนี่ยมันจะไม่แตกงอกออกรากเป็นตัวราคาโทสะโมหะซึ่งเป็นอกุศลมูลเป็นต้นต่อเป็นสมุทยของทุกที่จะทำยังไงถึงจะรู้เท่าทันก็ต้องฝึกความถี่ของความรู้สึกตัวให้สูงที่สุด สูงที่สุดว่าระหว่างในสิบรากเนี่ยเอารากตั้งแต่หนึ่งสุขเวทนาสองโสมนัสสาวเวทนาสอภิชาสี่นันทิห้าราคะหกามตัญหาเจภาวะมัญหา 8. ดวิภาวะมัญหา 9. กา้ากามุขวาาน 10. บกามาสวะนี่ทั้งสิบรากเนี่ยถ้าสติเราไปตามทันจุดไหนให้ตัดจุดนั้นเลย แต่พอความสุขกระทบปั๊บเนี่ยตัดเลยเนี่ยไหวไหมโอ้รู้สึกโหนมากนะฮะรู้สึกโหดมากตัดทันทนีแต่ว่านั่นเป็นดาบที่คมเฉียบเลยนะถ้าตัดได้ทันทีนั้นคือระดับภัสสะเป็นระดับของพระละหันใช่ไหมพอมาระดับ เ, เวทนาเนี่ยเป็นระดับของพระโสดาบันนะพอไประดับตัณหาพระโสดาบันทันอยู่เวทนาเนี่ยพระอนาคามีทันได้ผัสสะพระละหันทัน ถ้าเลยไปจากตันหาอววุปทานแล้วไม่ทันแล้วส่วนใหญ่ล้วไปทันทุงไหนไปทนันเวทนาก็ยากเลยใช่ไหมรู้สึกชอบเนี่ยโอ้ฉันชอบไม่ฉันดีกว่าไม่ทานดีกว่าเนี่ยมีไหมเคยมีไหมโอ้รู้สึกอร่อยมากถอยจากเลยไม่ทานต่อเ น, นี่ยมีไหมมีแต่กระโดดข้าหาตอ่อเลยอันนี้เราเราไม่ทันแน่นอน เพราะฉะนั้นเราจะสร้างกำลังของสติให้ไวที่สุดให้สูงที่สุดได้ไงเพราะว่ารู้สึกชอบปักมันมาทันทีเลยนะมันบอกเราเออนี่ชอบเลยนะถอยนะดังนั้นในตัวปรมัทัยในตัวปรมัทัยเราจะต้องมาฝึกกำลังของสติกำลังของสมาธิกำลังของปัญญาแต่ไม่ใช่ฝึกทีละอย่างนะกำลังของสติเช่นอ่ะสมมติให้ดูหมขอนั่งอืม นั่งไปสักพักหนึ่งรู้สึกหนักกําลังของสติก็บอกว่าหนักกําลังของสมาธิก็เฝ้าดูดความหนักนั้นต่อไปว่าความหนักนี้จะขยายความเข้มขึ้นแค่ไหนตั้งดูตั้งใจดูตั้งใจให้มัน่นอย่าเพิ่ง ว, วกเวแวกไปเรื่องอื่นตั้งใจให้มั่นดูว่าในขณะที่มันขยายไปขยายความที่หนักเนื้อหนักตัวขยายขนาดเนี้ยเอฟเฟกต์หรือไซด์เอฟเฟกมันคืออะไรทําให้หนักทําให้ง่วงไหมทําให้ อ่อนเปรีย้ยไม่ทำให้เหนื่อยไม่ทําให้ลาคานไหมสังเกตสํารวจตัวเข้าไปสังเกตสํารวจผลจากการที่อาการทุกเวทนามันกําเริบนี่เนี่ตัวนี้เป็นตัวปัญญาเพราะฉะนั้นตัวสติสมาธิปัญญาที่ที่เป็นสติแท้ๆเนี่ยมันจะทํางานร่วมกันหนักรู้ว่าหนักรู้ชัดๆคําว่ารู้ชัดๆไม่เฉยๆรู้ชัดๆว่ามันกําเริบขึ้นแค่ไหนก็ให้เกิด อ, อ, อะไรนะความมุ่งหยินลำคาญที่เรียกว่า ผลข้างเคียงวิซัยเอฟเฟกตข้ามาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนล้วก็ขยับนั้นเวลาพระท่านสวดเนี่ยท่านจึงฝึกเวทนาสังเกตไหมเวลาท่านนั่งต้องนั่งอย่างนี้ก่อนใช่ไหมแต่โยมไม่ว่าบทไหนโยมก็นั่งแค่นี้ทั้งนั้นเล ย, ยตลอดเลยอย่างเงี้ยนี้ก็ตลอดโยมไมได้แค่นี้แหละแต่พระอย่างนี้บ้างอย่างนี้บ้างพระเพียบบางขยับไปเรื่อย แต่มาเคยไปอยู่กับมหายานที่วัดจงเหยียนที่คามิลซิตี้นิวยอร์กนะเขาก็จะมีอย่างนี้บ้างเวลาสวดท่า น, นี้ด้วยนะหรือบางครั้งก็ยืนสวดบางครั้งก็เดินไปก็สวดสวดอ้อมเลยนะนี่เคยไปอยู่วัดจงเหรียนเขามีบทเลยนอกจากนอนสวดไม่มีนะ <laughs> ยืนเดินนัง่งมีหมดเลยนะยืนเดินนั่งเป็นการบริหารอิเดียวบทอันนั้นเป็นหลักการที่ถูกต้องแต่เราได้สวดทั้งชั่วโมงก็อยู่ท่าเดียวใช่ไหม น, นี่ถือว่าไม่ถูกต้องเพราะว่าเป็นการทรมานร่างกายทําให้ร่างกายเราเปนาาา็นนาำมัพลึกอมพาดบางที่เพลินไปสวดไปก็ง่วงไปใช่ไหมพูดถูกบ้างผิดบ้างหรือสวดไปไม่ง่วงก็ฟุ้งซ่านไปเพราะละรพระเวทนานบังคับอยู่หรือนั่งเวทนานก็ง่วงใช่ไหมอยู่ง่วงไหมจะให้อธิบายเรื่องง่วงให้ฟังนะง่วงนะง่วงเดียวเท่ากับนั่งเห็นนั่งท่าเดียวอะ่ะมันก็หนักใช่ไหมเพรหนักก็เปลี่ยนเปลี่ยนให้สบายนะเปลี่ยนไปนทับโซนก็ได้ เพราะอาการง่วงมันมันมาจากอะไรอาการง่วงมาดูนะตัวสุขเวทนาก่อให้เกิดไปถึงอย่างวม่สิบลําตัวทุกขเวทนาก่ออะไรทุกขเวทนาคือตัวที่ก่อให้เกิดความไม่สบายนะความไม่สบายที่ความหนักเมื่อกี้ความหนักเมื่อกี้ไม่มีสติตามรู้ตัวหนักตัวนี้กลายมาเป็นตัวไม่ชอบใจอธิบายยังไม่ถึงเรื่องง่วงนะเธออย่าพึ่งง่วงกันเลยค่ะอธิบายยังไม่ถึงนะเอาเรื่องเอาเรื่องนี้ก่อน ถ้าหากว่าตัวไม่สบายกายหนักไม่มีสติกําหนดรู้เกิดความไม่ชอบใจความไม่ชอบใจเรียกว่าโทมานสะเวทนาใช่ไหมโทมานสะเวทนาเกิดพอโทมานสะเวทนาเกิดสติแล้วก็ตามรู้อีกเพอสติเรื่องอ่อนอยู่ตามรู้ไม่ทันว่าตัวนี้ฉันไม่พอใจแล้วนะก็ยังไม่รู้ต่อไปก็เกิดตัวปฏิฆาปฏิฆาแปลว่าอะไรชักงุนงหงิดแล้วเนะาะพระองค์นี้พูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องเลยนะช่างงุนหงิดเนี่เยเไม่พอใจใช่ไหม ก็ตรงนี้เขาเรียกว่าปฏิฆาพอปฏิฆะก็ยังตามไม่ทันอีกก็เกิดพยาบาทะอ่นอัดขัดแย้งอืมเอ้ยอะไรวันนี้เรามาผิดที่หรือเปล่าไม่สนุกเลยนะฟังแล้วงงงงเงี้ยงี้ยเรื่อนี้ก็เกิดตัวพยาบาทะขึ้นมาพยาบาะพยาปาทะขับแขนขัดเครียงขุ่นข้องขัดแย้งอะไรพวกนี้พยาบาทะก็ก่อให้เกิดโกรธาขุ่นเครียงฉุนมาแล้วไปฉุนอแล้วก็ อาการก็ออกก็เป็นกลัวท่ก็แกเป็นโทสัโทสะกก็จะงอกออกมาเป็นตัวมานะมนะงอกมาเป็นตัวอาัตาวาทุปาทานอัตวาผู้ประทานงอกมาเป็นผวาสะวะพื้ไปเลยเราตามไม่ทันเลยมันก็เลยไหลออกมาอะไรมากระทบปับ๊บรู้สึกไม่พอใจมันไหลออกมาโดยเทีมยมมเยตัวเรียกวกามาสะวะบางคนเป็นคนที่โกรธง่ายใช่ไห อะไรกระทบปั๊บไม่ถูกหูถูกปปั๊บแสดงอาการเลยตัวนี้เ็าเรียกว่าการมาสะวะรุนแรงมันไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวนะเพราะฉะนั้นถ้าสติพัฒนาตามทันเนี่ยรู้สึกนั่งนานรู้สึกขัดหนักนะเปลี่ยนแต่ชอบโยมก็ชอบนั่งคัศมานะนั่งแต่ไม่ยักก็มีนั่งแบบนี้บ้างนะสม ม, าาสมมติว่าคัศมาะคือแบบนี้ใช่หถ้าแบบนี้บ้างเ่เป็นไง จะง่วงเป็นไวมถ้าแบบนี้ถ้าแบบนี้จะง่วงไม่ไหวเหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านี้เป็นท่าโยคะเนี่ยต้องต้องทำให้ได้สิฮะนั่งไปนานๆท่านี้ก็จะทําให้ชํานาญแล้วจะนั่งได้นานไม่ง่วงด้วยแต่ถ้าอย่เ ง, งี้ยง่วงง่ายอันนี้ยิ่งง่วงง่ายเพราะเวทนามันมันทั้งหนักทั้งเบาดังนั้นเมื่อเมื่อเรามีความขัดเครืองขุนข้องเกิดความสําคัญตนเองว่ารู้เปล่าฉันเป็นใครอ่า เราเป็นใครเรามานั่งฟังทําไมเพื่ออะไรมานะอัตตาเกิดแล้วใช่ไหมตัวนี้เกิดมาจากคุมเครืองภายในที่เราไม่ได้ตามรู้แล้วตัวมานะอัตตาตัวนี้ก็เกิดาาออกมาเป็นภาวะสวาไหลออกมาเพื่ความไม่พอยใจอันนี้คือสติตามไม่รู้ตัวเวทนาทางกายตัวเดียวมันทะลุไปสิบลากเลยอีสบลากทีนี้มาดูตัวเวทนาอีกอันหนึ่งที่ว่าจะว่าสุขก็ไม่ใช่จะว่าทุกข์ก็ไม่เชิงเขาเรียกชื่อว่าอะไรนะ ใครรู้จักบ้างสุขก็ไม่ใช่ทุกข์ก็ไม่เชิงเขาตั้งชื่อว่าอะทุกขะมะสุขะเวทนาเคยได้ยินคำนี้ไหมเราได้ยินคำแค่สองคำคือสุขกับทุกข์ใช่ไหมแต่ตัวที่สามเนี่ยไม่ค่อยได้ยินเลยว่าไม่สุขไม่ทุกข์คืออทุกขะไม่สุขเวทนาตัวนี้มันปรากฏตอนไหนปรากฏตอนที่ก่อนที่เราจะนั่ง เขนั่งปับกลายเป็นสุขเวทนาแล้วใช่ไหมเขานั่งเวทนาเป็นทุกขเวทนาพอทุกเวทนาปั๊บที่เราจะยกในช่วงที่เราเปลี่ยนผ่านนี่แหละระหว่างสุขกับทุกมันมันไหลหากันนี่แหละเขาเรียกว่าอัตุขเข้ามาสุขเวทนามันมีน้ําใสมีน้ําขุนแล้วเอาน้ำใสน้ําขุนมาบวกกันเป็นน้ําอะไรน้ําคนชื่อน้ําใสน้อยน้ําใสมาขวดนี้น้ําใสนะขวดนี้น้ําขุนเขี่ยวหน่อย โอใสก็เอามาบวกกันก็เป็นน้ำอ่าผสงกันตัวนี้แหละตัวที่น้ําตอนนั้นเวลาเรานั่งไปสบายก่อนที่มันจะสบายเนี่ยมันจะผ่านตัวนั้นก่อนกึ่งสบายกึ่งไม่สบายแล้วก่อนที่เราจะ ล, ล, ลุกลุกมาขยับมาใหม่ๆเนี่ยความสบายไม่สบายมาเริ่มเข้าหากันระหว่างน้ําขุ่นกับใสเกิดมาตัวนี้เขาเรียกว่าอาทุกขคมาสุขเวทนามีบ่อยไหมตัวนี้มีบ่อยไหมมีตลอดเวลาที่เราขยับตลอดเวลา แต่เราเคยตามรู้ตัวนี้ไหมเคยเห็นตัวนี้ไหมตัวนี้เองเป็ตัวสําคัญคือตัวเชื่อมต่อระหว่างสุขกับทุกข์สุขก็พอรู้ได้ใช่ไหมทุกข์ก็พอรู้ได้แต่อทุกขรมสุขเนี่ยรู้ยากตัวนี้เรียกว่าอัตุกรรมสุขพอมันพัฒนาเป็นเวทนาเรียกว่าอุเบกขาเวทนาสุขเวทนาพัฒนาเป็นโสมนัสส์ทุกขเวทนาพัฒนาเป็นโทมนัสส์อทุกรมสุขเวทนาพัฒนามาเป็นอุเบกขาเวทนา อุปเเรขาเวทนาภาษาไทยเราจะว่าไงเขาเรียกว่ารู้ซื่อแต่ไม่ใช่รู้ซื่อแบบหลวงพอเทียนรู้เรามาใช้เติมอีกคำานึงรู้แบบซื่อบื้อใครอธิบายว่ารู้ซื่อบื้อรู้ยังไงก็มันก็จะงงๆอะค่ะไม่แน่ใจว่าตกลงรู้หรือไม่รู้อย่างเงี้ยค่ะรู้ซื่อบื้อแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่างงๆด้วยบางทีมันมันเยอะอย่างไปหมดเลยค่ะแล้วก็ยังยังอยู่งง ง, งทำอะไรก็ไม่ถูกอย่างนั้นนะคะรู้สึกว่าอุเบกขาเวทนาถ้าไม่มีสติกาหนดรู้อีกมันจะพัฒนาเป็นอะไรพัฒนาเป็นโมหะพัฒนาเป็นโมหะโมหะแปลว่าหลงไหมหลงกับลืมเนี่ยต่างกันยังไงลืมแปลว่า จำไม่ได้ลไห ล, <c oughs> หลงแปลว่าถูกหลอกใช่ไหมถ้าหลงนี่แปลว่าถูกหลอกแต่เพราะฉะนั้นตัวลืมจึงเป็นธรรมชาติเป็นธรรมเพราะเพียงจําไม่ได้เท่านั้นเองแต่ตัวหลงเนี่ยมันเป็นกิเลสเพราะเราขาดปัญญาจึงถูกหลอกเราได้ถูกหลอกบ่อยไหมออุดมสมบูรณ์นี่ถูกหลอกแนกก่นอนอะ <c oughs> ไร ห, หลอกรถอร่อยมันหลอกเรา รถ อ, อร่อยรอกเราแล้วก็ใครมาพูดให้เราไม่พอใจเราก็ถูกลอกอีกหลอกให้อะไร <c oughs> ให้โกรธให้ไม่พอใจถูกลองบ่อยไหม <c oughs> นั่นนะเรียกว่าหลงล่ะเราถูกลอกด้วยความไม่รู้คือหลงนะเพราะนั้นหลงลืมระหว่างคำว่า forgetfulness กับ delusion นะคนละเรื่อง forgetfulness คือความลืม ใช่มแต่ว่าเป็นดิลูชันคือความหลง d ดิลูสแปลว่า you are delus e you are ถูกหลอก you are delus e by you are define ให้มัน you ถูกหลอกโดยกิเลสของคุณใช่ไหมเพราะนั้นจะเห็นว่าตัวเวทนาทั้งสามถ้าสติตาไม่ทันแล้วเนี่ยมันพร้อมที่จะเป็นลากยาวเลยนะโดยเฉพาะตัวอาทุกขควมสุขเวทนาลากยาวกว่าทั้งสองลากอีกทั้งสองลากลากละสิบมีลากเล็กลากฝอยลากละสิใช่ไหม แต่อุทุกขโมยสุขภรมาีถึงสิบห้รากเช่นอะไรบ้างเมื่อไม่รู้ขณะกึ่งกลางสุขทุกข์ที่สาธิตได้ดูเมื่อกี้ว่ า, าขยับแล้วเออรู้สึกสบายก่อนที่จะสบายเนี่ยมันมันปนกันระหว่างสบายไม่สบายปนกันอยู่เราลืมดูตรงนั้นลืมดูตรงช่วงเชื่อมต่อตรงดูให้ดีนะเมื่อกี้เราเดินหนักใช่ไหมมานั่งปับ๊บ ก่อนที่จะนั่งเนี่ยเราลืมดูการคลายไปของการหนักคลายไปอย่างไรและนั่งแล้วรู้สึกสบายก็ลืมดูไปอีกว่าความสบายเกิดขึ้นได้อย่างไรก็รู้ว่านั่งแล้วสบายแต่เราไม่ได้ตามดูว่ามาอย่างไรไม่เห็นการเกิดและไม่เห็นการดับไม่เห็นการดับไปของความหนักที่ก่ อ, อนที่จะนั่งและไม่เห็นการเกิดขึ้นของความเบาที่นั่งไปแล้วตรงนี้เรียกว่าขาดสติละ นี่คือสติในแง่ของวิปัสนาต้องเห็นในลักษณะไมโครฟิลิ่งขอโทษนะต้องใช้คำนี้นะคือในในหน่วยย่อยของความรู้สึกนะเมื่อเราไปเห็นตรงนี้ปับ๊บบ่อยๆตรงนี้ถ้าสติรู้เท่าทันว่าเมื่อวานว่าถ้าสติรู้เท่าทันสุขเวทนาว่าทุกครั้งเมื่อเกิดสุขแล้วเราไม่ตามเข้าไปแล้วเราเข้าไปจัดการสุขเวทนาให้เป็นระเบียบได้ ตรงนี้เขาเรียกว่าศีลศิลปะคนนั้นมีศีลเพราะนั้นคนที่เป็นศิลปะจึงเป็นเป็นคนราคะจริตเพราะว่ามีความชอบแต่บริหารความชอบออกมาเป็นตัวศิละปะเพราะนั้นจะรักสวยรักงามแต่งดอกไม้แต่งเสือ้อแต่งผ้าแต่งอะไรต่างๆพวกนี้เป็นราคะจริตเพราะมีความชอบความพอใจแต่บริหารความชอบความพอใจออกมาเป็นศิละปะ เพราะนั้นเมื่อมีสติตามรู้สุขเวทนาศีลจึงเกิดขึ้นทันไหมทันนะเมื่อสติตามรู้สุขเวทนาเกิดเป็นศีลทีนี้โทระความไม่พอใจหรอความความหนักนวงความหนักนวงร่างกายเนี่ยรู้จักปรับรู้จักเปลี่ยนให้พอดีอยู่ได้คนนั้นต้องมีอะไรมีความอดทนใช่ไหม มีความอดทนสูงความอดทนนั้นที่ก่อนที่ทุกขเวทนาจะเปลี่ยนมาเป็นสมาธิต้องผ่านความอดทนก่อนเมื่ออดทนนานเข้านั่นเข้าเบื่อเข้ามันกลายไปเป็นสมาธิเพราะฉะนั้นสติตามรู้ทุกเวทนาเกิดเป็นสมาธิแล้วต่อมาถ้าสติตามรู้อาทุกข ม, มสุขเวทนาคือความไม่แน่ว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ถ้าตามรู้ได้ทันมันเกิดเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นศีลสัมผธิปัญญาก็เกิดการที่สติ Kindern เข้าไปตามรู้ เวทนาทั้งสคือสุเวทนาทุกขเวทนาอัุกรมสุขเวทน า, ท า, นทนทนาถ้ามีสติปัญญาเข้าไปตามรู้ธรรมมันกายมาเป็นศีลสมาธิปัญญาแล้วงานศิลปะ ก, ก็เกิดขึ้นโทสะก็งานของความเมตตาก็เกิดขึ้นเพราะมีความตั้งใจมีความอดทนมีสมาธิเมตตากเกิดขึ้นแล้วในส่วนที่เป็นตัวอัตุกรมสุกุณามี ตัวนี้เข้าไปรู้โดยสติเข้าไปรู้มันกลายไปเป็นยาเป็นญานทัศนะมันมันเปลี่ยนกันตรงนั้นนิดเดียวเองแต่การที่เราไปเสพเวทนาเช่เป็น 90% ้าเอร์ซใช่ไหมมันก็เลยเป็นศีลสมาธิปัญญาไม่ได้กลายเป็นราคาโทสามูหาทาั้งๆที่เราปฏิบัติภาวนาเนี่ยแต่ราคาโทสามูหาที่แนบเนียนขึ้นที่ละเอียดขึ้นที่ประณีตขึ้นเท่านั้นเองนะ เพราะนั้นเอามาเห็นดูเนี่โอ้แล้วใครจะไปรู้ทันก็มีทางเดียวคือเราจะต้องพัฒนาตัวรู้เนี่ยอย่างต่อเนื่องไม่ใช่มานั่งสร้างจังหวะโดยจะโกงแค่นี้นะคุณจะหยิบหยับจับฉวยไม่ได้ดื่มน้ํากินข้าวไม่ได้เตะเก้าอี้เนี่ยก็รู้ตัวน ะ, ะให้รู้ตัวว่าแต่เตะไปแล้วแล้วไปนะให้รู้ว่าต่อไปให้รู้ตัวว่าอย่าเตะเท่านั้นเองอันไหนที่คือเราจะไประวังตัวเองให้ถูกต้องตอลอดเวลาไม่ได้แต่ในเมื่อผิดภาพไปแล้วต้องตั้ ง, ต, งตั้งต้นใหม่ทันที ตั้งใหม่หลายครั้งต่อหลายครั้งเข้ามันคือจะมั่นคงแต่ส่วนใหญ่เราผิดแล้วผิดเลยใช่ไมแล้วก็ไม่ตั้งเพราะไม่ตั้งใหม่มันความมั่นคงมีไหมไม่มีนีแลนั่นเองเมื่อเจริญสติในระดับนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นความที่กล่าวมาทั้งหมดเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นความสำคัญว่าตัวรู้ทีระนิดละนิดและต่อเนื่องเป็นลูกโซ่เป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญถ้าหากว่าเราจะ มีชีวิตที่มีความสุขสงบนะถ้าหากว่าจะมีชีวิตความสุขที่ไม่ไม่เป็นความสุขไหม้ไม่เป็นความสุขลนไม่ค่อยความสุขที่เผาแต่เป็นความสุขเย็นความสุขที่แนบเนียนความสุขที่สนิทเป็นความสุขที่เบิกบานต้องใช้วิธีนี้วิธีเดียวเท่านั้นนะใช้วิธีการเจริญสติเพื่อให้รู้ตื่นและถึงจะเบิกบานนะทีนี้จะทําเหนื่ยมันยากเหลือเกินเนาะยากก็ต้องทำไม่มีทางอื่นนะ ดังนั้นเองเราจะทำยังไงที่จะมาให้เบื่อในการตามรู้ก็ต้องสร้างปัญญาอันที่ปัญญานี่จะสร้างอย่างไรก็คือตามรู้ระหว่างสุขกับทุกข์อยผสมผสานกันอย่าสุขเกิดขึ้นก็อย่าพึ่งเสพทุกข์เกิดขึ้นก็อย่าพึ่งไปเสวยแต่ให้ดูสุขกับทุกข์ไปเรื่อยๆการดูสุขดูทุกข์ชัดๆที่เองมันจะกลายเป็นตัวปัญญาเข้าไปสู่ตัวตัวตดโมหะเลย แต่การไม่สุขเกิดก็เจ็บทุกเกิดก็เจ็บมันก็จะไปสร้างทั้งราคาโทสะโมหะเพราะนั้นตัวรู้ถึงสำคัญมากตัวรู้สึกตัวนี่นะนั้นเราจะไปเอาความรู้สึกตัวจะนั่งกําโดดลมหายใจจึงไม่พอไม่พอเพราะฉะนั้นเราเอาความรู้สึกตัวทั้งหมดเลยหายใจให้ลึกลืมตาให้กว้างฟังทุกเสียงของที่เบ็อะฟังทุกเสียงเหมือนเสียงสดมน ดูคนทุกคนเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนนิพพานที่นั่นอันนี้อันนี้เป็นเป็นเป็นคำขนของทีเบตนะฟังเสียงทุกเสียงเหมือนเสียงสวดมนต์ไม่ว่าเสียงผู้หญิงผู้ชายนะเคยเป็นไหมฟังเสียงทุกเสียงเป็นเสียงด่าเสียงชมเมื่อนั้นไม่ได้ฟังเสียงทุกเสียงเหมือนเสียงสวดมนต์ดูคนทุกคนเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนนิพพานที่นั่นหมายของคนทุกคนเป็นพระเจ้าได้ไหม พราะมีเมล็ดแห่งพุทธะอยู่แล้วทุกคนอันนั้นคืออะไรตัวรู้สึกตัวใช่ไหมตัวรู้สึกตัวคือเมล็ดพันุ์แห่งพุทธะเราก็เอาเมล็ดพันแห่งพุทธะนี้ไปลงดินไปลงในดินในรูปในนาม น, นี้แล้วดินนี้จะต้องมีปุ๋ยมีน้ําคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นปุ๋ยเป็นน้ําเป็นอากาศความเพียรเป็นแสงศรัทธาเป็นน้ําสมาธิเป็นดิน สติเออยปัญญาเป็นผู้จัดการนะสติก็เป็นตัวเมล็ดพืชเองนะดังนั้นเราจะเห็นว่าโอ้การที่เรามีรูปมีนามนี่ไม่พอจะต้องมีศรัทธาวิริยะสติสมริตปัญญาด้วยอันนี้เป็นคุณสุบัติเบื้องต้นของบุคคลที่จะเข้าถึงตัวสภาวธรรมอันนี้คือส่วนหนึ่งคือจบในเรื่องของสมมติตัวปรมัตน์ จะฟังต่อเลยไหมหรือว่าจะพักยกก่อนขอพักยกปฏิบัติประมาาสักสิบ้านาทีตั้งสติก่อนไม่งั้นสิ่งที่ฟังมาทั้งหมดลืมนะโอเคนั่งปฏิบัติลุมกันสักพักหนึ่ง